สิกขาบทที่สว่าได้การบวชให้กุมารีที่สงยังไม่ได้สมมตุติเรื่องภิกษุณีหลายรูป 1,130 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันารามของอนาถบาินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชให้กุมารีมีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแต่สงยังไม่ได้สมมติ ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่าสิกขา ม, มานาทั้งหลายพวกเธอจงมานี่จงรู้สิ่งนี้ประเคนสิ่งนี้นำสิ่งนี้มาฉันต้องการสิ่งนี้จงทำสิ่งนี้ให้เป็นกับปิยะ ก, กุมารีเหล่านั้นกล่าวว่าแม่เจ้าพวกดิฉันไม่ใช่สิกขา ม, มานาพวกดิฉันเป็นภิกษุณีบรรณาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโคนทนาว่า ฉณะผู้ภิกษณีจึงบวชให้กุมารีมีอายุ ค, ครบ20ปีผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแต่สงยังไม่ได้สมมุติเล่าครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีคุณภาพให้สงสราง